ต่อไปนี้พึงตั้งจิตให้สงบน้อมรำลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตั้งใจสวดภาวนายอดพระกาถาพระกันตรปิฎกอิติปิโสภคะวาอาระหังวัจจะโสภควา อิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวัจจะโสภควาอิติปิโสภควาวิชาจารณสัมปันโนวัจจะโสภควาอิติปิโสภควาสุขโตวัจจะโสภควาอิติปิโสภควาโลกวิทูวัจจะโสภควาอรหังตังสรนังคัจามี อรหังตังสิระสานามามิสัมมาสัมพุทหังสระนังคัจามิสัมมาสัมพุทหังสิระสานามามิวิชฌาจารณสัมปันนังสระนังคัจามิวิชฌาจรณสัมปันนังสิระสานามามิสุขตังสระนังัจามิ สุรตังสิรสานมามิโลกวิธังสรนังขจามิโลกวิธังสิรสานมามิอิติปิโสภควาอนุตตรวัจจะโสภควาอิติปิโสภะกวาปุริสธรรมสารติวัจจะโสภะกวา อิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษสานังวัจโจภควาอิติปิโสภควาพุทธวัจโจภควาอนุตตรังสรรนังคัจามิอนุตตรังศิรสานมามิปุริสธรรมมาซาระิสรรนังคัจามิปุริสธรรมมาซาระิศิรสานมามิ สัทธาเทวมนุษย์สานังสรรนังคัจามีศรัทธาเทวมนุษย์สานังศิรษานามามีพุทธังสรรนังคัจามีพุทธังศิรษานามามีอิติปิโสภควารูปะขันโธอนิจจักขะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภควา อิติปิโสภะควะเวทนาคันโทอนิจจลกนปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภควอิติปิโสภควะสัญญาคันโทอนิจจลกปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภควอิติปิโสภควะสังขารคันโอนิจจลกนนปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภคว อิติปิโสภะกวาวิญญาณคันโธอนิจละขัปารมิจสัมปนโนอิติปิโสภะกวาอติปิโสภกวปัตถวีจักกวาราจาตุมหาราชิกาตาวติงสาธาตุสัมมาธียาณสัมปนโน อิติปิโสภะกวะเตโชจักกวาราจัตุมหาราชิกาตาวติงสาทัตุสัมมาทิยานสัมปนโนอิติปิโสภะกวะวายโ a จักกวาราจัตุมหาราชิกาตาวติงสาทัตุสัมมาทิยานสัมปนโน อิติปิโสภควาอาโปจักกวาราจัตุมหาราชิกาตวติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปนโออิติปิโสภควาอากาสจักกวาราจัตุมหาราชิกาตวติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปนโอ อิติปิโสภควายามาธาตุสัมมาทิยานะสัมปนโนอิติป so ิโสภควาตุสิตาธาตุสัมมาทิยาณสัมปนโนอิติปิโสภควานิมานระติธาตุสัมมาทิยาณสัมปนโน อิติปิโสภควากามาวจรถาตุสมาทิยาณสัมปนโนอิติปิโสภควารูปาวจรถาตุสัมาทิยาณสัมปนโนอิติปิโสภควาปัธมชานธาตุสัมาทิยาณสัมปนโน อิติปิโสภควาทุติยชานณาตุสัมมาธิยาณสัมปนโนอิติปิโสภควาตติยชาณาตุสัมมาธิยาณสัมปนโนอิติปิโสภควาจตุทชานณาตุสัมมาธิญาณสัมปนโน อิติปิโสภควาปัญจมะชาณะธาตุสัมาทิยาณสัมปนโนอิติปิโสภควาปัญจมะชาณะธาตุสัมมาทิยาณสัมปนโนอิติปิโสภควาอากาสานัญจายตนาเนวสัญญาณสัญญายตนาอรูปาวจระ ธาตุสัมมาทิยานัสัมปนโนอิติปิโสภควาวิญญาณัญจายตน a เณวสัญญา a ัสัญญาญาตนาอรูปาวจรธาตุสัมมาทิยานัสัมปนโออิติปิโสภควาวอากินจัญญา a n ตนาเณวสัญญาณัสัญญา a t ตน a อรูปวจระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภควาโสตาปฏิมาคาธาตุสัมมาทิยา n ะสัมปันโนอิติปิโสภควาสกิธาคาปฏิมาคาธาตุสัมมาทิ a า a ะสัมปันโนอิติปิโสภควาอะนาคาปฏิมาคา ทาตุสัมมาทิ a าณสัมปนโนอิติปิโสภควาอารหัตตปาติมักขะทาตุสัมมาทิยานะสัมปนโออิติปิโสภควาโสตารหัตตปาติพลลาตุสัมมาทิยานะสัมปนโนอิติปิโสภควาสกิทาขาอรหัตตปฏิพลละ ทาตุสัมมาทิยานะสัมปนโนอิติปิโสภควาอนาคาอรหัตปฏิภลาทาตุสัมมาทิยานะสัมปนโนกุศลธาตุมมะอิติปิโสภควาอายาวชีวังพุทธังสรรค์ขจามี ชมภูธิปัญจะอิสโรกุศลาธรรมานะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะปัญจะพุทธานะมามิหังอาปามะจุปธิมสังอังโคสังวิทาปุกัยากะอุปัสชะสุเฮปัสายะโสโสสัส อาอาอาอานิเตชะสุเนมะผูจนาวิเวสังวิสุโลปุสะภูพาอิสวาสุสุสวาอิกุสลาธรรมาจิตติวิอาทิอิติปิโสภควาอรหังอาอายาวะชีวังพุทธังสรรนางคชาเม สาโพธิปัญจอิสโรธรรมากุศลธรรมะนันทวิวังโกอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลานโยวาชีวังพุทธังสรนังคัจจามิจาตุมหาราชิกาอิสโรกุศลธรรมาอิติวิชชาจารณสัมปันโน อโยยาวชีวังพุทธังสรนังคัจามีตาวะติงสาอิสโรกุสลาธรรมมานันทปัญจสุขโตโลกวิทูมหาเอโอยาวชีวังพุทธังสรนังขจามียามาอิสโรกุสลาธรรมาพรหมสัทธปัญจสัตตะ สัตตาปารมีอนุตตโโยามากะยาวะชีวังพุทธังสรรนังคัจามีตุสิตาอิสโรกุศลาธรรมาปุยญาปะกะปุริสธรธมสารถิยาวะชีวังพุทธังสรรนังคัจามี นิมมานรติอิสโรกุสลาธรรมาเหตุปวสัตธาเทวมนุษสานังแตทายาวชีวังพุทธังสรนังคัดฌามีบารนิมิตาอิสโรกุสลาธรรมาสังฆารคันโธทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะคันโธ พุทธะปะปะยาวะชีวังพุทธังสระนังขจามีพรหมอิสโรกุตสลาธรรมานจิปัจจยาวินาปัญจะภาควาตายาวะนิพพานังสรนังขจามีนะโมพุทธสะนะโมธรรมสะนะโมสังคสะ พุทิลาโกก a ลาการะนาเอเตนะสเจนะสุวัติโพนตุหูลูหูลูหูลูสวาหา a นาโมพุทธัสสะนาโมธรรมัสสะนาโมสังคัสสะวิติวิติวิติมิติมิติจิติจิติวัติวัติ มะยะสุส ah ุวัตถิโหนตุหุลูหุลูหุลูสวะหายาอินทสาวังมหาอินทสาวังพระมสาวังมหาพระมสาวังจักกวัติสาวังมหาจักกวัติสาวังเทวสาวังมหาเทวสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวัง มุนีสาวังมหามุน an ีสาวังสัพุริสวังมหสัพุริสวังพุทธสวังปัจเจกพุทธสวังอรหัตสวัางสัพพสิทธิวิชารนังสวังสัพพโลกะอริยนังสวังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุ สาวังคุณนางวชพลังเตชังวิริยสิทธิกรรมังนิพพานนางโมกขังคุยหักังทานนางสีลังปัญญาณิขังปุญญังภาขยังตับปังสุขังสิริรูปังจตุวิสติเซนังเอเตนะสัจเจนะสุวัถิโหนตุ หลูหูลูหูลูสวหายานะโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธนะโมอิตธิปิโสภควา นาโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทนาโมสวากาโตภควตาธรรมโมนาโมธรรมสสะทุกขังอนิจจังอนัตตา รูปคันโหเวทนาคันโหสัญญาคันโหสังขารคันโหวิญญาณคันโหนะโมสวัสดาโตภะควตาธรมโมนะโมธรรมสัตว์ทุกขังอนิจจังอนัตตารูปคันโหเวทนาคันโหสัญญาคันโหสังขารคันโหวิญญาณคันโห นะโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนะโมสังฆศัตรูขังอนิจจังอนัตตารูปคันโถเวทนาคันโถสัญญาคันโถสังขารคันโถวิญญาณคันโถนะโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวะหะปะริตัง นะโมพุทธายะมะอะุทุขังอนิจังอ t นัตตายาวัตตสหายโยนะโมอุอะมะทุขังอนิจังอะนัตตาอุอะมะอะวันธานะโมพุทธายะนะอะกะตีนิสรณา อาราปักขังมาอุทุขังอนิจจานัตตา